เปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์พอดคลาสเอพิโซดที่79ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องความนาริในการออกจากกามที่ว่าไม่เหมือนกับกามเท่าไหร่เราพูดถึงระดับของความว่างแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของการพูดพอประมาณแล้วก็สรุปจบด้วยเรื่องของการมีเมตตานี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อาตมาพระไพบุ์ทุกสัปดาห์ก็มากับคุณหมอรัตพงศ์ครับกลับนักการครับกับผม ทันตะแพทย์นัทพงศ์กหนกวิรุณครับนี่เอพิโซดที่เจ็ดสิบเก้าครับสิบเก้าแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาคุยให้ผู้ฟังนะค่ะอ่าคือใช่อันดับแรกก็จะมาพูดถึงคําถามของคุณปณิธิซะก่อนครับที่คําถามจากตอนที่เจ็ดสิบแปดครับเกี่ยวกับเรื่องความดัมเบลิออกจากกามใช่ไหมครับครับคือคุณปณิธิท่านถามว่าการดําริออกจากกามเนี่ย คือในมุมของคารวะอ่าเนี่ยถ้าเราแบบเหมือนกับเราหิวเราก็กินโทรศัพท์เราอยากจะได้อันนี้เราก็ไปซื้อใหม่มก็คือว่า อ, อย่างนี้การดําริออกจากกามเนี่ยในมุมของคารวะเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับเราเรามาพูดถึงเนื้อๆน้นนิดนึงนะเพราะว่าต้องนิยามไม่ถูกก่อนความดําริเนี่ยความดับฤิ์คืออะไรหมอรังค <alam. S 1> ์ ความดําเบลีนี่ก็คือความคิดนะใช่อย่างโครงการตามพระราชดำริอะไรอย่างเงี้ยนะความดําริลก็คือคิดแล้วคิดแล้วเพราะฉะนั้นความคิดที่จะออกจากกามเนี่ยคือความคิดที่จะออกจากกามกับกามเนี่ยมไม่เหมือนกันนะคือหมายความว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งมีความคิดที่จะออกจากกามอาจจะยังไม่ได้มีกามศเร์เเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขายังมีการเสพกามอยู่ในอาจจะมีความดําเบลี่ในการออกจากกามได้ก็คือว่า อัตราการเจริญเติบโตของการมการที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันอยู่คงที่หรือไม่ก็ลดลงนั่นคือไม่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นคือหมายว่าถ้าเราถ้าทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขา take differentiate มันก็จะมีค่าออกมาแต่ค่าเป็นลบค่าเป็นลบแต่ถ้าเป็นค่าเป็นบวกนี่แสดงว่าเริ่มเพิ่มละเริ่มเพิ่มละการเพิ่มขึ้นอถ้ากราฟมี slope นี่ถ้ากราฟมี slope นี่แย่ละการมคุณเพิ่มขึ้นแต่ถ้ากราฟมี slope ที่เป็นลบ slope ติดลบ นะความชันของกราฟที่ติดลบอันนี้ดีละก็คือมีอความดําริีในการออกจากการความดีนี่คือความคิดในการที่เราจะเพิกถอนถอนออกอไม่เอาล้างทิ้งเก็บขึ้นไม่ใช้พวกเนี้ยคือความดําริรีอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ไอเราก็เคยคุยกันมาบ่อยๆว่าเกี่ยวกับการกับการมา ค, ค, คุณไม่เหมือนกันถูกไัมการมาคุณ5นี่คือความ วิจิตพิสดารเลือดรู้อลังการที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะเช่นของสวยสวยรถดีดีบ้านใหญ่ๆชื่อสิงคีย์พวกนี้เป็นกามคุณ5ทั้งสิ้นอ๋ออาหารอร่อยอรอยอะไรอ่ามันไม่เหมือนกับกามตรงไหนนะเพราะว่ากามคุณห้ามันจะมาจอดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นไกยมันจะมาจอดอยู่ที่ตรงนี้แล้วส่วนที่มันมาเชื่อมระหว่างเจ้าตาหูจมูกลิ้นไก่เข้าไปติดกับใจเนี่ยตรงนี้แหละคือกาม กรารผู้เช่าบัญญัติว่าเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มหลงในกรารมงคลทั้งห้าเป็นเรื่องของจิตเราใช่ไหมคือเรารับรู้แล้วนะ<ช>และ้วถ้าเรามีความกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มหลงไปเนี่ยเราเราจะถูกมันดึงไปนะคือหมายความว่าไอ้เจ้ากามเนี่ยมันจะเป็นตัวกาวนะที่คอยมาติดเจ้า5้าอย่างนี้กับจิตของเราครับ อ, อันนี้ผู้เช่าเคยยกตัวอย่างลิงตัวหนึ่งนะครับที่มันไปติดตั้ง เอามือพยายามที่จะดึงออกเออามือเขาเขาวางกับดักเหมือนกับดักหนูอย่างเงี้ยแต่เป็นกำดักลิงไม่ไม่ใช่เงี้นเป็นกำดักหนูหมอท่า้เกิเห็นไหมกับดักกาวดักหนูน่ะรู้จักครับกาวดักหนูเนี่ยพอมันหนูมันเข้าไปปุ๊บมันติดหนึบเลยนะใช่ครับอันนี้ค่อนข้างโหดนิดหนึ่งหรือกาวดักแมลงวันพวกนี้ทีนี้เป็นกาวดักลิงนี้เขาเอายางไม้เนี่ยมาทําเป็นกาวโดยเอาอาหารลิงวางอยู่ตรงกลาง แล้วพอลิงวิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็จะด้วยความที่มันกตระวังตัวมันก็เอานิ้วๆแตะๆก่อนเอ้าเอามือแตะปุ๊บมือติดเลยมือติดปุ๊บเขาก็เอามือซ้ายเนี่ยพยายามที่จะแกะมือกว่ามือซ้ายติดอีกอนะไอ้กาวตรงเนี้ยในริ่ผชาพูดถึงตันหาพูดถึงกามตรงเนี้ยที่มันจะมาคอยติดให้จิตของเราเนี่ยอถูกลากออกไปถูรูดถู ก, กั่งคือมหมายความว่ามันเข้ามากระทบใช่ไหมแล้วถ้ามันมีกาวอยู่นะ ตรกาบมคุณกามเนี่ยนะกาบมคุณมันมาจ่อแล้วนะมันจะดึงจิตของเราออกไปได้มันต้องมีกาวแต่กาบไม่ได้อยู่ที่ไหนกาวอยู่ที่ผิวของจริตของเราแต่เมันเข้ามาปุ๊บมันติดปั๊บดึงออกไปปุ๊บนานจิตแตก<ม>นี่คือลักษณะของกามแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้ละเนี่ยคือเจ้าตัวกามตรงนี้นตัวกามให้ค่อยลดลงลดลงลดลงนะคืออัตราการเปลี่ยนแปลงนี่ให้มันเป็นให้มันลดลงไม่ให้ว่าเพิ่มขึ้นคือคุณก็ยังเสพกามอยู่นั่นแหละไม่เป็นไร เน่ยเพราะ<ช>อะไร<ม>เพราะว<ม>่าถ้าเราปล่อยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจนไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะเริ่มต้องผิดศีลละอันนี้อันนี้โนโนไม่ได้ไม่ได้ออืคือเหมือนคุณเดินไปในทางทิศทางที่จะไปเหวอ่ะเออลงเหวลงเหวแต่มันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงครับมันกําลังจะถึง ห, <ร>หน้าผาอยู่เดินไปจนถึงขอบหน้าผาเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าร่วงลงไปนี่สวยเลยนรกกาเนิดเดรชาเปรตวิสัยอือพรานเราอยู่ห่างห่างอยู่ห่างห แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆแล้วมันคือไม่ได้ว่าเอาไม่ตกลงไปก็ดีนะไม่ตกลงไปนี่ดีแน่แต่ไม่ใช่ว่าไปอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนี่คุณเสี่ยงนะอมีความเสี่ยงสูงพระเนรผู้เช่าจึงให้ถอนออกมาถอนออกมาไกลๆไกลออกจากไอเจ้าตัวหน้าผาตรงนี้อืไกลออกมา <S 2> <S 2> ออกมารที<ต>่เราถอนออกมาถอนออกมาถอนออกมาเนี่ยคือการหลีกออกจากกราบลีกออกจากกลาบถูกต้องถูกต้องครับคือ stay away จากสิ่งที่ไม่ดีครับใช่ไหม การที่เราจะหลีกออกหลีกออกตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่เสพกรารเล่นเป็นธรรมดาของคาราวาสมาล่าพงครับเนี่ยไปกินข้าวเย็นสั่งอาหารสเต็กแหม่มีอันนี้อันน้นอันนั้นแม่งจริงๆเราอาจจะมาก็อยากจะคิดอยากกินอยู่แต่ว่ามันก็เราก็ไปกินอาหารเย็นไม่ได้อะเออไม่เป็นไรเราก็ปล่อยวางซะแค่นั้นเองแต่ปล่อยวางซะเราก็สบายใจแล้วก็กินอาหารบินทบาทก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าข้าววิสัยคาราวาสเดี๋ยวมันต้องโทรนัดคุณนั้นก็นี้เอาไปกินซะหน่อย ใช่ครับต้องหาที่กินเส้นที่แบ่งกั้นก็คือตรงที่ว่าเงินตรงนั้นคุณออกมาจากไหนแต่คุณไม่ได้คข้าไปเข้ามาคุณไม่ได้ไปเบียดบังด่าคนณเรื่องกันดาาคนนี้มาคุณไปถึงปุ๊บคุณก็ไม่ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรเด็กเสิร์ฟเออเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้เคยเจอเด็กเสิร์ฟเลยเลยเริ่มนึกชื่อไม่ค่อยถูกเด็กเสิร์ฟเออพ่อฆ่าแม่ฆ่าเลยนี่ไม่ได้ด่าเขาใช่ไหมนี่คือชื่อว่าคุณคุณหลีกออกจากกรมแล้วเพราะว่า หมายถึงว่าอยู่ไกลออกจากเหวนะไกลออกจากหน้าผานั e? ่นก็เป็นธรรมดาที่ครารวะจะต้องเสพกาเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องคอยระวังก็คือตรงหน้าผาตรงนั้นนั่นคือการที่จะผิดศีลครับยิ่งไกลได้เท่าไหร่ยิ่งดีมากอยิ่งปลอดภัยอ่าทีนี้ความปกติของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันคือหมายความว่าคารวะเนี่ยมีความปกติอยู่ที่สีหน้าใช่ไหมคือความปกติอยู่ห้าอย่างคือการไม่ขโมยไม่ลักไม่ อะไรพวกนี้ปิดในการห้าอย่างตัวนี้เองแต่ความปกติของพระเนี่ยมันมันมีมากกว่านั้นครับเป็นพันข้ออย่างถ้าพระเนี่ยมีมีปกติในการไม่รับประทานอาหารเย็นครับล่วงเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีเห็นพระไปกินอาหารเย็นเอ้นี่เราเห็นอาจจะมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะเป็นโรคหรือเปล่าอาจจะทําผิดศีลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยเหวของพระนี่มันอยู่มันอยู่ใกล้มาก เาจะไม่เหวเหวหน้าผานะหน้าผาของพระเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวกว่าเราก็ต้องขยับออกไปไกลกว่าอืเข็จะไม่เราก็ต้องรีออกจากกรามมากกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีขีดเส้นแบ่งเอาไว้นั่นคือความปกติของเราในการดําเนินชีวิตของเราไม่ค่าสารไมรักษาไม่ผิดในกาไม่แกล้งกล่าวเท็ไม่ดื่มสุรามีไรถ้าคุณจะเสพกรามโดยที่อไม่ ไม่ผิดอ่าไม่ผิดความปกติอย่างนี้ครนะคือก็จะต้องบอกว่าให้คอยระวังกันแล้วกันอืคืออาจมาจะไม่บอกเออเสพเถืกล้ารดีเราจะพูดไม่ได้เราจะพูดไม่ได้ค้านอยู่ไม่ใช่เราก็จะพูว่าอย่างงี้ก็ทําซะให้ได้ด้วยความระมัดระวังอ่าคือคือความเป็นคารวะเนี่ยมันก็มีข้อดีของความเป็นคารวะนะครับอ่าความเป็นพระก็มีข้อดีของความเป็นพระ นะ ค, คือหมายใช้ไม่ใช่หมายความว่ามันจะมีข้อไม่ดนะีคือทุกอย่างมันต้องมีข้อควรระวังนะ<ฮ>แทนที่เราจะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคารวะเป็นทางหมายแห่งทุดีบัณฑิาเป็นโอกาสเราก็เห็นว่าเออพระพระดีกว่าคารวะ ม, มันก็เอาพูดงี้ดีวกว่าคารวะเป็นทางเสียมันก็พูดได้ไม่เต็มร้อย เ, เซเพราะว่า ค, คือข้อดีก็มีข้อควรระวังก็มีคือหมายความว่าเป็นพระในข้อดีก็มีนะข้อควรระวังของความเป็นพระก็มีเป็นคารวะข้อดีก็มีข้อควรระวังของความเป็นคารวะก็มี ครับเน่เพราะว่าเสียเนี่ยมันแล้วแต่คนมุมมองใช่ครับ อ, อย่างข้อดีนี่ผู้เจ้าพูดถึงเรื่องกุศลธรรมเป็นของดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครทํากุศลธรรมให้มากได้มากก็เป็นสิ่งดีแต่เพราะนั้นไอการทํากุศลธรรมนี่มันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าคุณอยู่เครื่องแบบไหนอแต่เมื่คุณคารวะคุณก็ทําได้ไม่มีวันะได้ครับอ่าเพราะนั้นก็จะมีข้อดีต่างๆแล้วก็มีข้อควรระวังด้วยอย่างรพระสงฆ์เนี่ยข้อดีของพระสงฆ์ก็คือว่า เออมันได้หลีกเล้นวิเวกได้อยู่ง่ายๆงียบเ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งอ่าตรงนี้เป็นข้อดีข้อควรระวังคืออะไรแต่ทนะุกคุณําผิดสีนะคุณสวยมากเลยคุณจะเสื่อมมากเลยคุณจะแย่มากเลยคุณจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ดีอันเนกประการมากเลยหมายถึงมสมณะนะนี่คือข้อที่ควรระวังส่วนค้ระบาดข้อดีอของข้อระบาดคืออะไรนะก็คือว่าการที่ เออได้ทํากิจการงานต่างๆหรือบางคนอาจจะเห็นว่าตรงนี้เป็นข้อดีการที่ได้กินข้าวเย็นการที่จะแต่งตัวสๆๆวยๆ้อันนี้อาจจะเป็นก้อดีเราะเพราะเอะเออย่างเงี้ยนะไปตามที่ต่างๆได้ตามใจทำอะไระก็ได้อย่างเงี้ยนะก็ก็ก็ดีของเขาแตถ้าเขากินบัตดีก็ดีในขณะเดียวกันก็มีข้อควรระวังว่าเออระวังในการที่จะลุ่มหลงไปในทางการระวังในการที่จะมีมิตรชั่วระวังอะไรสิ่งต่างๆนร้นต้องควรระวังนเพราะฉะนั้นถ้าเราระวัง ในสิ่งที่ควรระวังละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นนะทำในสิ่งที่ควรทำนะอันนี้ชื่อว่าเป็นการดําริออกจากกามละ่ะครับคือหมายความว่าใครสักคนใดคนหนึ่งนะหมอละพงครับเขาจะจะมีความดําริอในการออกจากกามได้เนี่ยคือหมายความว่าลดลงลดลงความกําหนัดตรงนี้เนี่ย น, นะครับมันมันต่าง ก, กันกับคนที่เสพกามอยู่สมมติคุณไปกินข้าวเย็นเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยอีกคนหนึ่งก็ไปกินโอ้อร่อยมากเลยนะคสคนเนี้ย อาจจะมีความดําริีในการออกจากกามเนี่ยไม่เหมือนกันอือ่าเพราะว่าคนที่หนึ่งอาจจะกินด้วยความที่ลุ่มหลงเต็มที่เลยและเพลินเต็มทีเ่เลยใช่คนที่สองนี่กินก็รู้สึกว่าอร่อยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษนะเห็นโทษของกามกุล น, นั้นอ๋อแต่ถ้าคุณเห็นโทษของกามกุล น, นั้นอยู่เนี่ยคุณจะเรียกว่าพลาที่จะดึงออกตัวเองออกจากตรงนั้นได้ก็เรียกว่ามีความดั่ริีในการออกจากกาม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาใช่เพราะฉะนั้นความดำริในการออกจากการเนี่ยจริงๆวัดแค่ว่าไม่ได้วัดว่าคุณเสพหรือคุณไม่เสพนะหม่ถึงการคุณนะเสพการบังคุณมันมีแน่นอนคนที่ร่ํารวยหาเงินมาได้มันก็ต้องเสพการเป็นหมายถึงว่ามีความสุขทางกายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายในขณะเดียวกันถ้าคุณเห็นความสิ่งที่เป็นโทษของสิ่งสิ่งนั้นอันนี้เข้าท่านะเพราะว่าเมื่ออะไรที่มันแตกหายไปสิ่งนั้นหายไป เช่นสังาหารมาดีๆเลยแหมสองจานมาพรอา้อมกันจานหนึ่งมีเส้นผมอีกจานหนึ่งไม่มีเส้นผมแบเนี้ยคุณจะจี๊ดไหมแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่คุณได้รับมาการมาคุณทั้งห้าเนี่ยคุณคจะไม่จี๊ดมากคุณจะจีด๊ดนิดๆหน่อยๆ ห, หรืออจาจจะปล่อยวางได้นั้นในขณะที่คนที่ไม่เห็นโทษนี่โหยึดมั่นเต็มที่นี่จี๊ดมากๆเลยแสดงว่าเขายังไม่มีความดําริในการออกจักรกรรม แต่ว่าคุณมีความดั่งิีในการออกจากกรารแล้วเพราะเราเห็นโทษกินอาหารเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉ<ม>ะ<ม>นั้นก็จึงต้องให้ทําความเข้าใจว่าหนึ่งความดั่งดีในการออกจากกรารเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะมีกรารศูนยะแต่ให้อยู่<ม>ห่างๆจากหน้าผาซะหน่อย ค, นะคือแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณมีกรารศูเอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ใช่ันะที่2เราจะเรียกว่าเราเป็นผู้ที่เดินออกมาทิศทางตรงกันข้ามกับหน้าผาไหม แล้วก็อยู่ที่ว่าเราเห็นโทษไหมถ้าเราไม่เห็นโทษ<ม>นี่คุณเดินเข้าสู่หน้าผาถ้าคุณเห็นโทษคุณเดินมาทางตรงกันข้ามกับหน้าผาอันนี้ดีครับ<ม>คืออย่างน้อยเรายัางรู้ทิศทางที่จะไป<ม>อ่าคือสมมุติว่าคุณอยู่ใกล้หน้าผาแล้วแล้วมันมืนหมดหมดเลยหมอแล้วผงเฮ้ยความเสี่ิงสูงมากความสี่ิงสูงมาก <laughs> เราไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยแล้วเกิดโมหะเข้าครอบงําตอนนั้นมีเพื่อนชั่วทันทีโอ้โหมันสวยมากมอ่าสถานการณ์มันไม่แน่ เกิดหลายครั้งแล้วพลิกผันนะักการเมืองดีๆเจอเพื่อนชั่วดึงไปโน่นเลยกับเมืองไทยไม่ได้เงี้ย ก, ก็มีนะหรือว่าใครที่ทำเรื่องราวเกิดขึ้นพลิกผันตัวเองขึ้นมาได้นะคอยมีสติระวังอยู่ห่างๆจากสิ่งที่ไม่ดีพู้เจ้าจึงบอกว่าให้เป็นผู้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยนะภัยเล็กน้อยเรารเราสเตย์เอาเราหลีกออกจากตรงนั้นการที่ลีกออกตรงเนี้ยนี่คือความดั่ริ ในการออกจากกาาออกจกจรรมครับเช่นเดียวกันความดําริจในการไม่พยาบาทนะความดําริจในการไม่เบียดเบียน <c oughs> นะ <c oughs> คืออย่าง น, น้อยเราเห็นโทษของความร้อนที่เกิดขึ้นในจิตนะเราจะด่าดลุลูกน้องอย่างเงี้ยเอ้ <c oughs> มันด่าดุนี่มันไม่ดีนะเราหากลยุทธ์อื่นวิธีการอื่นในการที่จะมอเตอร์เฟสเขาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อ่ารันก็จะเรียกว่าเออคุณเริ่มมีความดําริจในการออกจากกรมนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจิตจะไม่หึ่มฮมนะฮึ่มฮึ่มอยู่ นะแต่ว่าก็คอยอ่าคอยที่จะเห็นโทษนะหรือว่าทําสิ่งที่หลีกออกจากสิ่งเหล่านั้นอืมครับถ้าดำหลีกออกจากเพิ่มจากกามพยาบาทเบียดเบียนก็คืออกุศลทั้งกวงอันนี้ก็เป็นใช่อ่าเป็นหมวดของสัมมาสังกัปปะเลยไหมครับถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็อยู่ในหมวดสัมมาสังกัปปะอยู่แล้วพี่เจ้าของเราเองนะตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยได้เคยเล่าให้พิสูจ์ทั้งหลายฟังว่า ตัวพระองค์เน <bracelet. S 1> ี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายครับอ่าทีนี้พอเราหลีกออกได้มากคือหมายถึงเห็นโทษของจุดนี้เราก็เห็นโทษเห็นโทษนี้เราก็เห็นโทษอย่างเข้าขาหมูเงี้ยแหมบางคนเห็นโทษมันมันมากเลยถ้าฉันกินเข้าไปนี่จะต้องเป็นคอเลสเตอรอลสูงโลกไขมันอุดตันมีความอ้วนต่างนานาเป็นโรคเกาโรคอะไรโอ้ยอันนี้เราเห็นโทษแล้วเออ เพราะนั้นถ้าจะไปกินข้าวขาหมูเสพกามโดยการกินข้าวขาหมูคงไม่ทําแม้แต่กินอย่างอื่นก็คงจะเอาอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องค่อยๆละไปละละไปนะเห็นโทษ<ม>ของสิ่งนั้นไปให้มากให้มากนะเห็นไปเรื่อยๆนะคือการที่เราเห็นโทษชื่อว่าเราเริ่มออกมาทิศทางที่ในการหลีกออกจากกามแล้ว<ม>นะแล้วสิ่งใดที่เราเสพอยู่ยังรุ่มหลงเราก็คอยระวังเอานะเห็นโทษของสิ่งนั้นอยู่เนือง นะเราก็มาหลีกเล่นบ้างฟังธรรมะบ้างก็จะทําให้เราจิตเราเนี่ยยังน้อมไปในทิศทางที่ดีคือก็ไม่ได้ขอว่าให้มันลดลงจนเป็นศูนนะแต่ขออยาให้มันเพิ่มขึ้นก็นแล้วกัน่ะนะนะเพราะว่าตอนนี้ยในโลกปัจจุบันนะมาลพงศ์เขาเปิดทีวีด้วยไม่ต้องเปิดทีวีอขับรถไปเนี่ยโอ้โฆษณาเต็มไปหมดเลยใช่ครับเออมันมีแต่ที่จะดึงจิตของเราออกไปนั้นเลยอืมีแต่จะไอตัวเกี่ยวเนี่ยโอ้โหกับดักของมารเต็มไปหมด ครับตลอดทั้งทั้งวันเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวมันมาในมือถือมา facebook SMS อะไรต่างนานามาเต็มปฤื้นะเพื่อที่จะดึงจิตของเราออกไปให้แตกให้มีความอยากเราก็จะมีความทุกข์มีความขวนขวายมากเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไปอืมครับคือการตลาดในแง่ปัจจุบันก็จะดึงเอาอารมณ์ต่างๆความอยากควา ม, มต้องการโ อ, โ, อ โ, อ โ, อโอ้โหมาร<ๆ>ก็จะบอกบว่ามารก็ฉลาดมากขึ้นนะคือหมายว่าใช้เครื่องมือได้ฉลาดมากขึ้นนะ ครับแล้วเราก็ต้องคอยคอยระวังคือระวังที่จิตของเรานั่นแหละให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์อินทรีย์อืมครับครับในในประเด็นของการมองเห็นโทษในสิ่งต่างๆนะครับกับการมองสิ่งต่างๆในแง่ร้ายหรือแง่ลบเนี่ยท่านมองว่าส อ, อ, อสองประเด็นนี้มันแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกัน อ, อยังไงนะครับถ้าเราบอกว่าเราเห็นโทษเห็นโทษนี่นะทําให้อีกสุดตรงอีกข้างหนึ่งกิเลสมันจะเอาเราอีกทางหนึ่งโอ้ยนี่มันมองโลกในแง่ร้ายว่า ค, ครับการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยนะมันตาา่างกับการเห็นโทษตรงที่ว่าการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคือคุณคุณไม่มีทางออกคือคุณประนามเขาอย่างเดีนะยว <c oughs> อย่างเช่นว่าเราเราพูดถึงอะไรดีละ่ะก็มองโลกในแง่ร้ายเช่นร่างกายเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแล้วก็ตายแล้วแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแสดงว่าคุณนี่มองโลกในแง่ร้ายมาคิดว่าฉันจะต้องตายฉันจะไรมองโลกในแง่ร้าย ประเด็นก็คือว่าเ อ, อวถ้าเราบอกว่าเห็นโทษในความเป็นหนุ่มคือหมายความว่าเห็นโทษในชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเรามามีความคิดว่าเออในชีวิตนี้มันอาจจะมีโทษร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นนะเราควรจะทําอย่างไรเพื่อให้หมดจากโทษนั้น mm hmm. นะความแตกต่างกันมันอยู่ที่วิธีแก้ปัญหา mm hmm. วิธีแก้ปัญหาคือคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยโซลูชนันเขาไม่ ม, เ ม, มีเขาไม่มีทางออกนะเขาจึงปฏิเสธสิ่งนั้น mm hmm. ก็ใช่ไหม ในขณะที่คนเห็นโทษเนี่ยคือคุณอเขาเรียกว่ายอมรับในโทษที่มันมีแล้วก็มีทางออกด้วยในอย่างพระเจ้าพูดถึงอพูดถึงความตายอย่างเงี้ยครับ้ทุกคนต้องตายนะให้คิดถึงมรณะ น, นุสตินะจริงครับเ อ, อ้าทําไมพูดงั้นน่ะมองโลกในแง่งร้ายหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงพระเจ้าพูดถึงว่าทํำยัางไงาเราถึงจะหลุดพ้นจากความตายได้ใช่ครับออถ้า ค, คุณเห็นโทษในความตายคุณหาทางออกจากความตายสิอันนี้คือมองโลกในางง่ดี แต่ถ้าคุณเห็นโทษในความตายแล้วคุณคุณไม่เห็นทางออกอันนี้มองโลกอย่างไรายเกิ่ยวแต่ว่าฉันจะต้องตายฉันต้องตายฉันต้องตายแล้วก็จมปรักอยู่ในความทุกข์นั้นอันนี้มองโลกในง่รายเขหาความทุกข์เข้าใส่ตั ว, ว<ม>เอาหาทุกข์ทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้มองโลกย่งาง่รายนะแล้วก็ยังทําตัวให้ร้ายๆายด้วยในที่ตอนที่เจ็ิ้าเราได้พูดถึงว่าผู้ที่หาทุกข์โทษใส่ตัวที่เองไม่มีความทุกข์ทับถมนะ นในกรณีเดียวกันเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราทํายังไงเราเห็นโทษใช่ไหมเราพยายามหาตั้งออกกานะรหาตั้งออกให้จากความตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือให้ยอมรับความตายว่าเอ ม, มันมีจริงนะแล้วทางออกคืออะไรปฏิบัติตามมารรคแปดมีอะไรก็ความดุริในการออกจากการเป็นต้ น, นเห็นโทษในตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยแสิ่งที่มันมาเข้ายุ่ยยวนเราเห็นโทษตรงนี้ชื่อว่าเอ้ยคุณเดินตามทางนะเรียกว่าคุณไม่ได้ว่าเป็นคนมองโรกแง่ร้ายนะ แต่คุณยอมรับความจริงหรือไม่ใช่ว่าเออมองแต่แง่ดีเอาแต่มองเห็นแต่แง่ดีแง่เสียมองไม่มองไม่เห็นไม่ระวังอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกใช่เป็นความสุดโต่งใช่ความสุดโต่งอีกประการหนึ่งใช่ทางกุศลเนี่ยจึงเป็นทางที่ตรงกลางตรงกลางนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ระหว่างนะตรงกลางนี่หมายถึงเป็นอีกทางหนึ่งเลยนะที่ไม่ใช่ทั้งพิษมิสติกไม่ใช่เอาทั้งออพสมิสติกอ่าคือไม่ใช่ทั้งมองโลกในแง่ดี หรือมองโลกในแง่ร้ายก็ทางออกมันมีอ่ะนะของดีเราก็เอาในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษอย่างเงี้ยแต่มาจึงพูดมาตั้งแต่ต้นรายการว่ า, อาของดีเราให้มีนะในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษไม่ใช่เห็นโทษของดีนะั้นก็มีโทษอยู่ของอที่ไม่ดีไม่มีเราไม่ต้องพูดถึงลเอาเอ า, เอาว่ามันมีโทษอยู่แล้วกัน<ม>ถ้าเราทาได้อย่างนี้เนี่ยเราจะค่อยๆปล่อยวางได้ จากเราจะโน้มน้อมเอียงเทไปนิพพานครับ อ, อันนั้นคือที่สุดที่สุดแห่งทุกข์ใช่อันนี้นึกนึกถึงคําว่าอย่างกรณีของปัจจุบันหรือคนทางชาติตะวันตกเวลาเป็นโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชอบใช้คำว่าเขาคนนั้นได้ต่อสู้กับโรคร้ายแล้วก็คือถ้าหายคือชนะโรคร้ายถ้าไม่หายคือตายก็ พายแพ้ต่อโรคร้ายอย่างเงี้ยมุมมองอันนี้ก็คล้ายๆว่าดีไหมไม่ไม่ค่อยถูกใช่ไหมครับท่านมันเป็นยังไงล่ะมองดูผมว่าเป็นยังไงผมก็มองว่าเขามองว่าเขาจะต้องดิ้นรนที่<อ>จะมีความตายอื อ, อมไม่ยอมรับว่าความตายเนี่ยจะมาสู่ตัวเองนะพยายามหนีสุดชีวิตว่า ง, งั้นเถอะครับถ้าผมว่าเขาหนีด้วยวิธีการที่ไม่ได้ถูกต้องตามมารกอะ น, นะ อันนี้ก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ถ้าเ้าเรียกว่าพยายามที่จะต่อสู้ด้วยกระบวนการตามมัคเช่นะว่ามีภาษาเกิดขึ้นที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเราอดทนไว้เรานิ่งอยู่อันนี้เป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องนะคือการต่อสู้ตรงนี้ก็ต้องพูดถึงว่าคุณสู้กับอะไ ร, ค, รคุณสู้กับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจจากภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบพูด ช, ช้าๆนิดนึงนะพูดต่อสู้กับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจจากภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบ หรือคุณต่อสู้กับสิ่งภายนอกเรากำลังต่อสู้กับสิ่งภายในถ้าคุณสู้กับสิ่งภายในอันนี้ก็ไปถูกทางอยู่เป็นไปที่ทางที่ทุนกระแสที่หมอล้วพง์พูดถึงพวกพวกตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอาจาถ้มาเคยตั้งก็สังเกตว่าอย่างคนภาษาไทยนะเขาเรียกคนไข้ว่าคนไข้นะคนป่วยผู้ป่วยคนไข้ในขณะที่ภาษาอังกฤษก็เรียก patient แต่เพชินเนี่ยแปลอีกความหมายหนึงว่าความอดทนอืมนะถ้าจะพูดให้ถูกคือผู้อดทนอืมอันนี้ผู้อดทนของผมมาแล้วชื่อนี้อ่าผู้อดทนเคนนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฟังว่าท่ากว่านะอาตมาว่าอืมมีมีเซนส์ที่ดีกว่าใช่เพราะว่าทําให้คนเขาเขามีกําลังใจเออฉันต้องอดทนนะฉันไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาอะไรฉันก็อ่อนหมออ้อนหมอนะอ่ามันมันอาตมาว่าดีนะ ครับเหมือนพอมาแปลเป็นสะทายแล้วกลายเป็นเพจิ่นกลายเป็นคนไข่เนี่ยอะไรมันก็ป่วยอยู่เรื่อยมันก็มันจะไปหายยังไงล่ะเนาะครับก็ป่วยตั้งแต่ตั้งชื่อแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นการมองให้เห็นว่าเออมันจริงๆก็มีส่วนที่มองโลกในแง่ดีแง่ร้ายนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นแค่ชื่อเฉยๆเป็นแค่ที่ตตั้งมาทั้งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ในจิตของเราว่าเราจะจะวางจิตของเราไว้ยังไงใช่ สิ่งภายนอกอาจจะมีผลอยู่บ้างก็ส่วนหนึ่งรแต่สิ่งที่เราต้องบังคับควบคุมเนี่ยก็คือคือจิตของเราครับแล้วถ้าเรามีกําลังจิตนะเราคงเราสามารถจะวางจิตของเราไว้ตรงไหนก็ได้อนะเวลาไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะแม่เป็นเป็นสบาว่าที่ดีมากคือสั่งจิตได้ตลอดเวลาอืมันมันดีตรงนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเคยพูดในตอนก่อนๆว่าอย่างการทําสมาธิ แล้วสาสมาธิเนี่ยมีอํานาจเหนือจิตก็คือตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่พอเอรามีอํานาจเหนือจิตเราก็จะเออจะตามเหรอเออตามเราก็เห็นโทษเนี่ยจะหลีกออกฉันก็ทําได้อย่างเงี้ยแต่ไม่เอาฉันก็ทําได้ฉันต้องการฉันก็รับไม่ได้ฉันไม่ต้องการฉันก็ทิ้งได้ย่งเีรับไม่ได้ฉันก็ไม่เห็นโทษถ้าวันไหนไม่ได้ฉันก็ไม่เสียใจอย่างเงี้ยมันมันสบายใจกว่ากันเยอะครับอ่า นั่นก็เป็นผลมาจากการที่เราเห็นโทษนะการเห็นโทษก็คือการที่หลีกออกจากการมนั่นเองครับอืมอือมโอ้ก็คุณปณิทิตคงได้คําตอบแบบเต็มเต็มเลยนะครับอนนี้อต่อไปก็จะตอบคําถามของคุณวันนี้แน่นะครับอ่าที่ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความว่างเนะ่ยที่ว่าเอ้ยว่างวา ง, วางลงไปแล้วเนี่ยสมมติเราวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอ้าวางอารมณ์นี้วางอารมณ์นั้นเนี่ยอสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งที่ อนิพพานของความสิ่งที่วางไปแล้วแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่ใช่ไหมซึ <distributed animals> ่งจริงแล้วตรงเนี้ยอาจามาอธิบายเพื่อที่จะให้ให้เห็นภาพว่าไอ้นิพพานตรงนี้มันคืออะไรจริงๆแล้วอวางก็คือวางไปแล้วนั่นเองไอ้นิพพานของสิ่งที่วางไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นก้อนๆกล่าวใมันคือมันโบไปเลยมันจบไปแล้วคือดับไปเลยอ่าดับไปเลยเพราะฉะนั้นมันมันถ้าเกิดใหม่ <work> <ๆ>ก็คือสิ่งใหม่นั้นเกิดขึ้นมาละไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้ที่ดับไปแล้วอืมอ่า ดังน้นจึงคือที่วางไปแล้วก็คือจบไปแล้วใช่ไหมที่วางไปแล้วก็คือจบไปแล้วแต่มันดันกลับกาเริบขึ้นมาอีกเนี่ยไอ้ตรงกลับกาเริบเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่าอุปปะธรรมคือธรรมที่ยังกลับกาเริบอยู่ใช้คำว่าอะไรนะครับกุปปธรรมอุปปะธรรมอุปปธรรมก็กไก่ก็ไก่อ๋อกูกไก่ครับคือธรรมที่ไม่กลับกาเริบเนี่ยเาเรียกว่าอุปปธรรมธรรมที่กลับกาเริบก็กุปปธรรมทาไมมันถึงยังกลับกาเริบอยู่ เนีเพราะว่ามันยังมีเชื้อของการที่กำเริบนี่อยู่ อ, อย่างเช่นว่าหินที่ทับหญ้าเงี่ยนะหลายคนเคยเพูดกันเราเอาหินออกปุ๊บหญ้าโตได้เนีเพราะว่ารากหญ้ามันยังอยู่อ่าถ้ามันมีเชือ้อเชื้อแห่งการเกิดเชื้อนี่มีอยู่ใช่ไหม<ะ>ถ้ามันมีความชื้นมีดินพูว่ามันโตแน่นอนอืมเหตุปัจจัยพร้อมใช่เพราะฉะนั้นถามว่าเออเราทํายังไงให้ให้มันไม่ไม่เกิดดีไม่โตอีก เพราะว่าเราเข้าสมาธิแหมใจิตใจสบายมากเลยจิตเป็นพระพุทธสวรรค์แล้วตอนนั้นพอออกจากสมาธิท่า น, นเลงจิตใจปิ่งปังขึ้นมาอืนั่นคือมันกลับกําเริบไงครับทีนี้พระเจ้าพูดถึงการเข้าถึงทำอันไม่กลับกําเริบเนี่ยก็ด้วยวิธีการอนัปปนสตีนะแต่บอกว่าเราสร้างเหตุให้เพียงพอว่าในการที่จะมีอาหารอยู่พอประมาณเป็นผู้มีตัองค์อันพร่องอยู่เสมอลืงกิจน้อยคนุนควาย น, น้อยสำเร็จในความหมชีวิตนผู้รสรงสุดตาสัง z o มสุต t r เป็นผู้ที่อยู่เสนาสนาอันสังกัดห้าอย่างมีอย่างหนึ่งก็คือการที่พิจารณาเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วอย่างไร<ม>นี่นคือหมายความว่าจิตเราวางไปตรงไหนได้เนี่ยเรารู้ครับในกรณีที่เราวางความเจ็บปวดตรงนี้ได้เนี่ยหรือวางความรู้สึกนี้ได้เนี่ยเรารู้ละจบละ<ม>เรารู้อะเราวางเป็นขั้นทีเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นขั้นไปตรงนี้จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้จิตของเรานั้นเริ่มละที่จะ เข้าสู่ทํามันไม่กลับกําเริบตรงนี้ได้จริงจริงก็จะล ะ, ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใช่ใชรตรงที่วางไปตรงนี้มันก็ง่ายๆมากเลยคือเราวางปุ๊บก็คือจบอแล้วก็ทีนี้ว่าที่ที่อรมาได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยว่าไอระวังไอตรงที่เราจะเข้าไปยึดไอตรงที่เราวางนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าพอเราวางไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรายังมีความยึดเหลืออยู่เนี่ยนะยึดถือนี่นะมันจะไปยึดเลยว่าโอ้ฉันต้องดีของอื่นแน่นอน ฉันบรุคันนั้นคันนี้แล้วแหมฉันเจ๋งจริงฉันเลิศ น, นี่แหละคุณคุณถูกมันยึดยทีจริงหล่ะก็แต่มันยึดไอ้ตรงสิ่ง <Okay. S 1> ที่เราวางไปตรงนั้นแล้วว่าเราเป็นตัวเป็นอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งขึ้นมาอืตรงนี้แหละจริงๆพาาระหรหัน์ไม่มีตัวตนนะเพแต่ถ้าเราวางไปได้แล้วเรายังไปยึดถือว่าเอ้ฉันยังเป็นพาาระหรหัน์แน่เลยเอามันไม่ใช่ล่ะอ๋อก็เป็นความยึดใหม่ขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้เราก็คือพูดให้ให้เข้าใจเดี๋ยวยิ่งพูดมากมันก็ยิ่งจะ มีข้อผิดมากนะว่าถ้าพูดว่าเราพยายามที่จะอธิบายตรงที่วางไปให้เป็นก้อนๆอ น, นึ่งที่โบโบเนี่ยมันก็มันจะไม่ถูกแบบเพี้ช่างของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเนาะเพราะฉะนั no. ้นก็จะให้พูดเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือว่าอาวางแล้วก็คือวางไปแล้วเราก็อย่าให้มีความยึดถือในความยึดมาใหม่อ่า ค, ค, ความยึดถือมันก็จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ยังมีอยู่นั่นแหละหไม่ได้เกิดขึ้นในสิ่งที่วางไปแล้วนะ ครับอ่าคือที่พูดสัปดาห์ที่แล้วว่าความยึดถือจะเกิดขึ้นในสิ่งที่วางไปแล้วเนี่ยคือกรณีที่ว่าเอออย่าให้เราไปยึดว่าไอ้ที่เราวางไปนั้นทําให้เราเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่างหนึ่งเช่นเป็นผ้าหลังเป็นต้นฉันยกต้นข่มท่านฉันดีกว่าเธอฉันพยายามไปสอนคนนั้นคนนี้อ่าอย่างนี้เรียกว่าถูกมันรัดรึงเอาจากด้านหลังละ่ะอืมครั บ, รบอืมก็ต้องคอยระวังเนี่ยครับอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องระวังในจุดตรงนี้ด้วยเพราะว่า จะไปคิดว่าอุ้ยเรานี่พอปฏิบัติแล้วเราเจ๋งกว่าไอ้พวกไม่ปฏิบัติ อ, อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วแสดงว่าคุณไปยึดไอ้ตรงที่คุณวางได้นั้นนะครับอันนี้ต้องระวังครับอันนี้ก็โหอนุโมทนารึครับพูดจะได้พูดง่ายๆก็คือว่าแต่ตรงเนี้ยฟังอธิบายให้เห็นภาพไม่เฉยแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือเราวางวางวางวางวางวางวางวางใไปเรื่อยๆวางไปให้หมดขัดขัดขัดัดขัดให้หมด หมอนล้ศพงเวลาที่ใช้เครื่องมือนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่หมอใช้อ่อเวลาขุดญินปูนภาษาภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรการแพทย์เขาเรียกว่าสเกลเลอร์เออสเกลเลอร์ใช่ไหมนี่ีหมือนว่าสัพที่มันยากไหนเขาเรียกการเวียนเออเนี่ยหนเนี่แหละกบวนการตรงนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆจะไมยไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งแล้วคุณเรียบร้อยตลอดชีวิตไม่ใช่เลยเราก็ต้องมาทาอยู่เรื่อย เพราการปูยิงปูลไม่ใช่ว่าให้หมอไปทําอย่างเดียวคือเราตื่นเช้ามาเราแปลงฟันนั่นน่ะคือเรียกว่าพยายามที่จะเอามันออกล่ะใช่ครับทำอยู่เรื่อยๆวางเรื่อยๆวางเรื่อยๆกินข้าวเสร็จแปลงฟันอีกแล้วอันนี้ก็คือเอาออกล่ะเอาออกเราเอาออกไม่ไหวเราสั่งสมเราค้างค้างไว้เราลืมแปลงฟันเราสะสมหมะหมมไว้เราก็ต้องไปให้หมอช่วยอย่างเงี้ยครับอ่าจริงครับทําอยู่เรื่อยๆหมอฟันก็จะนัดหกเดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับเป็นธรรมดาครับอันนี้ก็ตรงกันเลยนะครับอวางไปเรื่อยๆอ่วางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆแต่เราก็จะอคือง่ายมากตรงนี้วางไปเรื่อยๆเนาะทาต่อเนื่องเป็นอชาคลี่ยานชาคลยานนุโยกชาคลี่นุโยกก็คือการอยู่ในทํามันเป็นเครื่องตื่นครับแเราก็ฉกชวยโอกาสในระหว่างวันด้วย อย่างที่ได้บอกไปว่าตอนกลางวั น, นเราก็เห็นลมหายใจบ้างตรงนั้นตรงนี้พยายามที่จะกลับมาอยู่สู่ลมกลับมาอยู่สู่ลมนะก็จะช่วยให้เราในตอนเช้าเย็นเรานั่ง 10- บนาทียีสนาทีเสาร์อาทิตย์คุณขอเพิ่มด้วยเป็นชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยตรงเสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยตรงหัววันหัวกลางวันเช้ากับกลางคืนนะตรงระหว่<ม>งางวันก็จะไปช่วยเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะเสริมกันไปเสริมกันมาเราก็จะมีแต่ยิ่งเจริญขึ้นยิ่งดีขึ้นยิ่ง เออกห่างจากบาปมากขึ้นจิตใจเราก็จะสบายขึ้นไม่ได้เสพกรรมเราก็สบายใจอย่างเงี้ยอันนี้จริงเลยนะครับเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวเองถ้าวันไหนเราอสังวรอินทรีย์ดีๆคือ อ, อะไรที่ชอบแล้วก็รีบวางรีบวางแล้วถ้ากลางคืนมานั่งสมาธิมันมันจะสงบไวใช่แต่ถ้าบา ง, ว, งวันเอออันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้รู้สึกมันฟุ้งซ่านเยอะ หมอรัตพงศ์ดูลูกค้าหมอรัตพงศ์อ่ะอาจจะเรียกว่าอะไรผู้อดทนของหมอรัตพงศ์อ่ะครับผู้อดทนของหมอรัตพงศ์เนี่ยคือคนไข้คืผู้นั่นแหละถ้าผอกว่าเขาอ่ารักษาฟันอย่างดีแปลงฟันเช้าเย็นเรารู้พฤติกรรมของลูกค้าเอ่อคนไข้เนาะเรารู้พฤติกรรมของผู้อดทนของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าเออเวลาทําฟันเนี่ยอมันมันมันทําง่ายทําดีจริงครับแต่มายคือมันเกื้อกูลกันนะว่างั้นเถอะเช้าแปลงฟันใช้ไหมขัดฟันมันจะเกื้อกูลต่อการที่ เรามาขูดกิเลสตอนตอ น, ตอนทําครั้งใหญ่ใช่ค่ ะ, นะะเช่นเดียวกันมันก็จะสนับสนุนกันระหว่างวันคุณทำเสาร์วันที่คุณก็ทําได้ดีขึ้นเช้าเย็นคุณก็ทําได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยในในในเรื่องนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยน ะ, ะคือก็อาศัยเหตุปัจจัยที่ว่าจากเห็นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดถึงเรื่องของพุทธวจนะนี่นะมรพงศ์หล้วมามีความยินดีมากเลยถ้าบอกว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าหลายๆคนก็ได้ ที่เขาจะมีความเห็น اع, ที่เราอธิบายมาเนี่ยบางคนอาจจะมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าความเห็นต่างๆที่เขามีเขามีนั้นๆนนเนี่ยนะเขาไปเทียบเคียงมาจากสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้คือตน้นบัญญัติ<า>สิ่งที่เป<ม>็นพุทธประชานเนี่ยโอ้อันนี้ดีมากเลยนะคือเราไม่ได้ดูที่ว่าความเห็นต่างหรือไม่ต่างเราดูที่ว่าคุณวิจัยอวิเคราะห์วิจารณมาจากตรงไหน <Sweden. S 1> แต่ถ้าคุณวิเคราะห์วิจารมาจากสิ่งที่เป็นพุทธจนะอันนั้นดีแล้ว ครับหมายถึงว่าอาการที่คุณไปวิเคราะห์วิจารณ์มาจากสิ่งที่เป็นพุทชวยแลนั้นน่ะดีแล้วแต่ถ้าคุณมาวิเคราะห์วิจารณ์มาคุยมาเปิดเผยกันจะทําให้ทําที่ยังไม่ถูกเปิดเผยได้เปิดเผยขึ้นมาได้อเปิดทําที่ผูกปิดใช่เพ <các S 1> ราะฉะนั้นในกรณีของท่านผู้ฟังที่แบบว่าเออไปดูพุทธวัชนะเอ๊ะตรงนี้ทำไมมันเหมือนกับมันไม่เหมือนกับตรงนั้นเอาน่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์ไพบุญบอกเลยแล้เราก็มาคุยกันอย่างเงี้ยจะเป็นการดีเพราะว่าอย่างน้อย ค, คุณยังกลับไปหาพุ คือการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างนี้นะครับอ่าใช่จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ไดคือคือไม่ใช่ว่าคือสมมุติเราพูดอะไรสักอย่างหนึงหนึ่งที่อาจจะฟังแล้วมันอาจจะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรอแต่ ถ, แ<ป>ถ้าคุณไปตรวจสอบอ่าอืมครับถ้าคุณไปตรวจสอบนะด้วยใช้พุทธวจนะแล้วคุณมีเห็นความความเห็นต่างใช่ไหมโอ้โหดีมากเลยยกมาเลยนะเพราะอย่างน้อยคุณยังไปดูพุทธวจนะครับอ่าคือคือไม่ใช่ว่าลักษณะว่าจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมนะอันนั้นจะทําให้ตัวเราฟังทําไม่รู้เรื่องเอง แต่ว่าเรามีเมตตามีจิตที่เป็นเอกคตาแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจไปศึกษาเพิ่มเติมฟังซ้ําดูแต่ถ้าเราเอาคำของอาตมาไปวิเคราะห์เนี่ยนะอาตมาก็ยังมีที่พูดผิดอยู่แตเรามาฟังย้อนหลังไม่ว่าที่วิทยุประเทศไทยหรือที่คุยกับคุณหมอรัพงเนี่ยบางทีพูดเร็วผิดไปเอาหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้านะอ๋ อ, อลิ้นมันพันกันครับ้ลเลยต้องพูดช้าๆนี่มีจดหมายจากท่านผู้ฟังส่งมาจากวิทยุประเทศไทยนะเพราะอาตมาพูดเร็วเกินไป อ๋อครับอืมก็เป็นการแสดงความเห็นในในเชิงบวกนะครับใช่ใช่เราก็จะพูดช้าๆสัหน่อยหนึ่งนะอืมคนคิดตามจะได้คิดทันนะครับใช่ใช่คือรายการนี้เป็นรายการภาคออนไลน์ครัหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังฟังไม่ทันเนี่ยก็ย้อนไปฟังได้ฟังซ้ำได้รีหลังได้นะแถอยหลังไปสิบวินาทียี่สิบวินาทีอย่างเงี้ยครับเนาะอ่าต่อไปก็จะ พูดถึงเรื่องว่าเวลาที่เราวิเคราะห์วิจารณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะบางทีมาอธิบายไปเนี่ยมันมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นแบบมีอาจจะมีที่ผิดนะตอนที่เจ็ดสิหกเนี่ยก็เลยได้พูดถึงโทษนะของการพูดมากนะพูดมากแล้วก็มีโทษ5่าอย่างมาหรืองจําได้ไหมก็มีพูดหยาบพูดส่อเสียดพูอเจ้อ อ่านครับแล้วก็พูดพูดยาพูดส่อเสียพูดเพอเจอร์พูดคำหยาบพูดโกหกแล้วก็พูดกทําให้ไปนรกกําหนดเดชะเปรย์วิสัยครับแต่แต่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้พูดถึงลราพูดพอประมาณหลักมีอันิี้ส่งอะไรใช่ไหมพูดพอประมาณเนี่ยก็จะมีนิสส่อนิี้ส่งในการที่จะไม่พูดคำหยาบทําให้ได้อนิี้ส์ในการที่ไม่พูดเบียดไม่พูดเพอเจอร์ไม่พูดส่อเสีย แล้วก็ไม่พูดโกห ก, กหกแล้วก็เป็นไปเพื่อสวรรค์<อ>นะครับสุกติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะเราจะวัดได้ยังไงว่าไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยมันมากหรือพอประมาณกันแน่อืวัดยังไงครับก็วัดที่ความเพ้อเจอ้อวัดที่ความอยากวัดอวัดที่ความหยาาบววัดที่คมโกหกเนี่ยพวกนี้เอาพวกพนี้เป็นเกณฑ์เอาสมมาวาชาเป็นเกณฑ์เพ<อ>นะราะว่าถ้าเราเริ่มพูดไปแล้วเริ่มเพ้อเจอ้อลวฐานที่ตั้งที่มาไม่มีละ และเริ่มผิดเวลาแล้วเกินเวลาแล้วเริ่มอย่างไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆกุขึ้นมาเองคุณยกพุทธวจนะมาตรงไหนตรงนี้หาไม่เจอเงี้ยอันนี้เริ่มพูดมากละในขณะที่อถ้าไม่ได้ดูที่จํานวนเวลาไงครับถึงแม้<ช>คุณคจะพูดหลายชั่วโมงแต่ถ้าเนื้อหาเหล่านั้นแต่เป็นเนื้อหาที่ถูกต้องนเราก็จริงเราก็ได้ประโยช น, น์อันนี้ก็ถือว่าเป็นวาจาที่ไม่ไม่เป็นการพูดมาก แต่เป็นการพูดพอประมาณอืมครับไม่ได้ขึ้นกับเวลาว่าอาจจะบางคนพูดห้านาทีแต่ว่าอาจจะเป็นการเพรอเจอร์ใช่ไหมครับใช่หาประโยชน์ไม่ได้ครับอันนั้นก็สั้นอยู่แต่ว่าเป็นการพูดมากพูดมากในแบบสั้นๆอ่ก็จะไม่ถูกพระเจ้าก็ให้เป็นผู้พูดพอประมาณคราวนี้เราก็จะพูดกันพอประมาณนะอ่ คือบางทีพูดเร็วไปมันกลายเป็นพูดผิดนะเป็นอย่างนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องตัวตัวธรมาเองก็ต้องคอยระวังในเรื่องนี้พูดช้าลงหน่อยแล้วก็ในในเรื่องของการพูดพอประมาณตรงนี้หมอรัพงศ์ก็เราได้รับข้อมูลจากคุณน้ำฝนบ้างคุณธพชัยบ้างอ่นะอันนี้ก็เป็นเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานเหมือนกันทีมงานก็มีหมอรัตพงศ์กับตัวธรมาด้วแหละคก็น้อมน้อมรับน้อมรับด้วยความเคารพครับ ในในบางส่วนเนี่ยเราก็เป็นลักษณะที่ว่าเออถ้าเรามีการออพูดหรือถามในจังหวะที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นครับ<ๆ>แล้วกอ็อย่างไรก็ตามากําลังใจสำหรับตัวตัวมาเองเนี่ยนะขึ้นมาจากการที่ได้อ่านคาสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเราได้รู้ภาษาบาลีเนี่ยมันยิง่งยิ่งให้เห็นภาพเข้าใจจุดประสงค์ของพพุทธเจ้ามากขึ้น ในในรูปแบบของโครงสร้างภาษา แ, และยิ่งวิเคราะห์รากศัพท์เนี่ยว่าคํานี้มาจากมาไรโอ้โหมันยิ่งลึกซึ้งมากราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นประเด็นแง่มุมไหนๆก็ยิงนํามานำเสนอท่านผู้ฟังฟังตรงนี้เป็นกําลังใจที่ทําให้อดมาเนี่ยมาจัดรายการกันนะตะพง์ทํารายการที่วิ้วประเทศไทยหนาอะไรต่างๆดําเนินการหลีกเล่นข้อสิ่งนี้ปฏิบัติไปได้เนี่ยก็เพราะข้อมูลตรงนี้ของพระพุทาครับก็บบภารกิจพระอาจารย์มากๆทีเดียวเลยนะครับ ก็พอพออดทนไม่ได้อยู่ครับถูถ่ถายไปเอาครับอืมแล้วก็เวลาที่คืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าผู้ฟังส่งอะไรมาเราก็จะรับฟังนะคือเรารับฟังอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนในสิ่งต่างๆที่ส่งมาคร <g ül> ับ <g ül> <ๆ>ตอนจ็สิบหกก็ไม่มีอะไรมากนะแค่แค่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าพูดน้อยๆมันเป็นยังไง <c oughs> วันนี้นอกจากจะพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องการจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตาแล้วพง ให้เรามีความเมตตาซึ่งกันและกันอในความเมตตาเนี่ยใครเคยอ่านเรื่องพระอภัยมณีนะของสุนทรภู่อ่ะสุนทรภู่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อในสมัยรัชกาลที่สามใช่รับเพื่อที่จะได้รับขออภัยอภัยโทษจากรัชกาลที่สามเรื่องราก็วภาษาก็มีกันอยู่ก็ไปหาอ่านกันได้ออืการมีเมตตาเนี่ยจะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยไปได้อย่างราบรื่น พระเจ้ S <S าพูดถึงจะทําให้มนุษย์ก็เป็นที่รักของมนุษย์นะมนุษย์ก็รักเรารักเรานี่หมายถึงว่าไม่ได้เข้ามาหาเราในะอย่างพวกผีพวกวิญญาณอะไรพวกนี้นะ ค, คือไม่ได้เข้ามาหาเราแต่ว่ารักษาเรานะรักเรารแต่ไม่มาทําให้เราตกใจอะไรอย่างนี้แล้วก็นอนก็ไม่ฝันร้ายนะตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขรตรงนี้จะมีแต่ความดีมากแล้วก็เป็นธรรมเครื่องที่จะอุปการะสนับสนุนให้โลกนี้มันไปได้ เหมือนที่บอกว่าเมตตาทําค้าจุนโลกแล้วก็เรารักษาคนอื่นด้วยความมีเมตตาเนี่ยเราก็ชื่อว่ารักษาตัวเองอ<ต>ืคืคอคือเราหันไปทางไหนให้มีแต่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับโล่หรือเหมือนกับภูาพ่มคุ้มกันในเวลาสิ่งใดมากระทบเนี่ยเราจะไม่วือหวาจี้จัดมากเรา <Okay. S 2> จะคอยควบคุมจิตของเราได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากอแต่ดัะนั้นก็ให้ฝึกเมตตาอยู่เรื่อยๆ เมตตาอะไรเมตตาถนนเมตตาท้องฟ้าเมตตาเสาเมตาเมตามาแรงเนี่ยเราฝึกเมตตาไปอย่างเงี้ยมันมันไปได้เพราะเวลาเจอสถานการณ์จริงๆเราก็ยังส่งเมตตาอยู่ได้ครับ อ, อย่างในกรุงเทพนี่บนท้องถนนนี่โอ้โหต้องฝึกเยอะเลยครับท่านคือ ค, คือไม่ได้ฝึกตอนอยู่บนถนนนะต้องฝึกมาก่อนแล้วฝึกอ่าฝึกมาก่อนแล้วหรือว่าคุณฝึกบนถนนแล้วคุณเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อที่จะไปใช้ที่ทํางานที่ทํางานแย่กว่าอีกอย่างเงี้ยคือเราฝึกตอนที่เราซ้อมรบไง ซ้อมรบไปก่อนอย่างนักสู้ไฟเนี่ยตำรวจดับเพลิงเนี่ยเขาวันลา97ของเขาเนี่ยคือใช้ในการซ้อมอร์นต์เท่านั้นเองที่ดับเพลิงอยู่ตอนหน้าไฟโดนไฟเจอไฟจริงใช่เพราะฉะนนั้เราเตรียมการไว้ก่อนตั้งแต่ตอนที่เรายินสบายใจตอนที่เรายังยิ้มได้อย่างเงี้ยเราเตรียมการให้จิตมีเมตตาเนี่ยพอถึงเวลาสถานการณ์แล้วมันใช้ได้จริงอตอนที่ฝนยังไม่ตกเนี่ยคุณต้องเตรียมขันน้าไว้แล้ว เพื่อที่จะรองน้ําฝนแต่พอฝนตกปุ๊บคุณจะไปขาหาคารนี่มันก็จะไม่ทันการครับหรือว่าตอนเตรียมเรือไว้นก่อนที่น้ําจะมาน้ำจะท่วมีมีอ่าหลายๆสุภาษิตก็ว่ากันอยู่อนะจริงครับอย่างคนที่กั้นบ้านได้เนี่ยเพราะคุณทําเขื่อนไม่ตั้งแต่น้ำยังไม่มาทํำไ้ตอนแห้งอืมใช่ครับพอเราเตรียมการไว้ก่อนทําจิตของเราให้มีเมตตาอยู่เรื่อยๆมีความรักความเมตตาซึ่งกันและกันความเมตตานี้ ก็ยังรวมถึงกรุณามุรีตาเบขานะเป็นตาเครื่องคําจุนโลกพลมวิหารสี่ใช่ใชอือย่างเมตตานี้ก็คือการคนที่มีโทสามารถเนี่ยตัวเมตตาเนี่ยเป็นตัวดับโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่มเมตตานี่ก็เหมือนกับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาถ้าใครจะเอาไฟที่จะพยายามเอาไม่ขีดมาเพื่อที่จะเผาแม่น้ําในแม่น้ำให้มั น, น, ม น, นมเดือดพร่าเนี่ยมันทําไม่ได้ครับแต่น้ํามันต้องมีมาก่อนแล้วนะอืใช่ครับ เพระเาะนั้นก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันว่าเราทําให้มันมีมาเรื่อยๆมีมาตลอดนะไม่ตา<ม>อะไรนึกอะไรไม่ออกไม่ตาปากกาวอา<ม> <laughs> ไม่ตาตนเองไม่ตาตัวเองก็ได้ครับ <laughs> ตตอครับก็จะทําให้มันไปได้โลกนี้มีความร่มเย็นใช่ยังอย่งน้อยให้โลกมันยังติดขัดอยู่มันยังคนไม่มีไม่ตาก็มีอยู่เอารอบตัวเราก็ยังดีขึ้น ในครอบครัวครอบครัวอ่าครอบครัวก็ดีขึ้นอครอบครัวอาจจะยังไม่ดีขึ้นเอาคนรอบข้างเราก็ยังดีขึ้นเพื่อนฟุ้งอะไรมันก็ยังรักเราดีกับเราอย่างน้อยก็ยังมีสักคนสองคนนะอย่างเงี้ยอืมครับมันก็จะไปได้เน้อเพราะฉะนั้นถ้าในอรายการทํารายการเปิดทันทีปิดผ่านออนไลน์ครับถ้าผู้ฟังมีคําถามอะไรก็เขียนมาแล้วกันครับ ส่งมาที่ www.pearthama.com นะครับเว็บไซต์เดิมครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณมรัตพงศ์ครับตอนหน้าตอนที่80สนะครับส่วนวันนี้ตอนที่79ขอสิขอลาไปก่อนแก่เวลากลับรับการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิบุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโกจังหวัดดุรดอนธานีครับเชิัครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง